เรื่องอัคราฐานเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพานเทศกันนี้เกิดที่วัดปทุมวนาวรามความเดิมมีว่าหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นไปเจริญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำสิงโตหรือเรียกอีกชื่อว่าถ้ำไผ่ขวางท่านพักอยู่พอสมควรแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพ พักที่วัดสระทุมคือวัดปทุมวนารามมีโอกาสก็ไปนมาสการท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์นจันสิริจันโทเล่าความเป็นไปในการปฏิบัติบ้บางสนทนาธรรมบ้างตามประสาสิทธิและครูได้ปรารลบถึงการแนะนำสั่งสอนหมู่คณะเชิญปรึกษาว่าท่านมีวาสนาทางนี้ไหมท่านเจ้าคุณก็รับรองว่ามี พอกลับมาวัาสสะปทุมท่านก็พิจารณาเรื่องการแนะนำหมู่คณะเกิดความรู้ขึ้นมาจากภายในว่าอักขังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสุตตะวิสุทธิยาได้ความว่าฐานะอันเลิศมีอยู่ในหมู่มนุษย์มีแต่หมู่มนุษย์เท่านั้นที่จะดำเนินไปสู่หนทางเพื่อความดับทุกได้ ท่านพิจารณาได้ความว่าการแนะนำหมู่คณะเป็นไปได้อยู่ธรรมเทศนาเรื่องนี้ท่านอธิบายอ้างอิงคำพีเป็นพิเศษท่านว่าผู้ที่จะมาต ร, รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็ดีต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นทั้งอดีตนับด้วยแสนเป็นอเนกก็ดีปัจจุบันก็ดีในการอนาคตอันจะมาถึงก็ดี ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็ดีมีแต่มนุษย์เท่านั้นส่วนเทพอินพรหมและอาบายภูมิทั้งสี่ก็ไม่สามารถจะมาตรัสรู้ได้เพราะว่ากายของเทพละเอียดเกินไปกายของอาบายภูมิสี่ก็หยาบเกินไปส่วนมนุษย์อยู่ท่ามกลางแห่งพบทั้งสามโดยเฉพาะกา ม, มาพบสอ คือนับขึ้นข้างบนหนับลงข้างล่างสี่รวมเป็นสิบมนุษย์อยู่ตรงกลางรวมเป็นส1บเอ็ดมนุษย์นี้คืออัคราฐานมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบพร้อมทุกอย่างมนุษย์ผู้เลิศมนุษย์ผู้ประเสรศิฐมนุษย์ผู้มีความสามารถทำได้ทั้งโลกิยปัญญาและโลกุตรรปัญญามนุษย์อยู่ในท่ามกลาง จะขึ้นข้างบนก็ได้จะลงข้างล่างก็ได้นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแนะนำไว้ทั้งสองทางโดยยกสารณาสามสีลห้าธรรมห้ามุงคลสูตรธรรมบทคุตกานิกายมหาสมัยสูตรและสูตรอื่นๆ อ, อ, อีกจะขอกล่าวแค่แปสูตรคือสุกัดธรรมสูตร สูตรนี้เป็นเทวธรรมสูตรในพระธรรมบทมหันละกะพิขุปหูพันธิกาภิขุอพกเทพเรียกเทวธรรมว่าสุขธรรมผู้เราจะยกมาพอเป็นอุทาหนเนื้อความพิสดารท่านพระอาจารย์เปิดกว้างให้บัณฑิตอธิบายเพิ่มเติมได้โดยไม่ผิดว่าเป็นมนุษยธรรมเกิดเป็นมนุษย์มีความสามารถ ผู้ไม่มีสารณะสามถือลัดที่อื่นเป็นสารณะและเมื่อสินห้าข้อหนึ่งตายแล้วลงข้างล่างเกิดเป็นมนุษย์อายุสัน้นและเมื่อข้อสองข้อสตายแล้วลงข้างล่างเกิดเป็นเปรตอสุรกายท้องโตปากเท่ารูเข็มเพราะชาราดบังหลวงเงินเหล่านี้เกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของมนุษย์ด้วยกันรังแก่ข่มเหงเอาเปรียบ จึงไปเกิดเป็นเปรตกินไม่ยิ่มอิวเป็นนิดเพราะรูปากเล็กละเมิดข้อสามลงข้างล่างเกิดเป็นสุนัขนับชาติไม่ทวนละเมิดข้อห้าลงข้างล่างสุราเมรยัยยาเสพติดทุกชนิดตกโลหะคุ้มผีดื่มน้ำทองแดงตับไตไส้พุงทะลุเกิดใหม่กินอีก ไม่กินก็ไม่ได้เพราะหิวไม่มีอะไรจะกินในที่นี้หมายถึงกินน้ำทองแดงแล้วตายแล้วก็เกิดใหม่อีกในที่นั้นพ้นนรกแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์นับชาติไม่ทวนนี้มีส่วนลงข้างล่างส่วนขึ้นข้างบนนั้นท่านอ้างคำพีหนึ่งคือมงคลละสูตร ตั้งแต่อเซวนาจนถึงพุทธะโลกาธรรมเมว่าเป็นยอดมงคลอนุโดมเลิศทันยามมากคือปฏิรูประเทสวาโสจะจนถึงเอตัมมังคลมุตตามังเพราะคนไทยประเทศไทยเป็นปฏิรูปประเทศมีคุณสมบัติและองค์ประกอบสมบูรณ์แบบไม่มีชาติไหนเหมือนผู้มีประเทศไทยมีลักษณะ ส, สี่ คือภูเขาแม่น้ำทุ่งกว้างสาวงามลักษณะสี่อย่างนี้มีในประเทศใดประเทศนั้นจะพัฒนาตัวของมันโดยไม่หยุดยัง้งถ้ามีปัจจัยภายนอกเข้าไปเสริมก็จะพัฒนาไปได้เร็วหากไม่มีเขาก็พัฒนาของเขาได้ท่านว่าอย่างนี้